เรื่องการอบรมพัฒนาจิตการอบรมพัฒนาจิตตอนที่ 2 โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญรถจักร 127 กม. ทําไมเรา สังคมหลายอย่างรู้ห้องเฉพาะเป๊ะเดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้เท่าทันจิตใจของหนองเรามาพัฒนาจิต crisis วิกฤตการณ์ทางทางจริยธรรมทางวัฒนธรรมอย่างอเมริกันเฮอร์อีสเปอร์คนหนุ่มคนสาวอเมริกัน <Ash land> แผนก divinity school ทีโอโลจิคัลสคูลแผนกศาสนาปรัชญาไม่บังคับให้เรียนแล้วแต่ผู้ใด เขาเรียกว่าเรียกว่าเมดิเทชั่นดีเวลลอปเมนท์ดีเวลลอปเมนท์ก็หมายว่าพัฒนาพัฒนาจิตในทางสมาธิเกิดศูนย์ เพราะเรานี่ไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยสบายถ้าจะๆผ่าน ว้าวเวในกลุ่มในหมู่นี้ก็ว้าวเวต้องการที่สุดสังคมใน พอฝึกสมาธิดีได้ผลมากๆก็ทํา 3 ล้าน 5 ล้านคน 10 ปี 20 ปีข้างหน้าโชค มันก็เกิดการต่อสู้ต่อต้านกิเลสอยู่ในมันหนีวันเดียว 3 วันมันไม่หนีมันสู้ๆหรือ แล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์พอที่จะทําให้ผมเข้าใจได้มั้ยพอเป็นเอาไลน์เป็นแนวสังเคป The structure เป็นโครงสร้างของชีวิตที่จะมาสรุปเอาเองว่ามันไม่มีเพราะ มันใช้ไม่ได้เหมือนคนตาบอดคนตา 4 ปีก่อน โรงเรียนคนกาบบอร์ดมา 6 ปีเป็น 10 ปีรู้อาเคยถามว่ากรุงเทพฯกับเชียงใหม่อันไหนเจริญครับบ่เคยเห็นว่าซั่นคืออยู่กรุงเทพฯ 4 6 ปี 4 ปีทางแต่พวกเรา ถ้าหากเราบอกว่าชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีเพราะการไม่เห็นไม่ฝันอยู่บ่เออตาบอดมืดคือเก่างมซามม้ําซาบ่โอ อันตาดิฝันเมื่อคืนเห็นหุ่นบ่ว่าซั่นไห้ฝันเมื่อคืนบ่ได้สายไฟดีเห็นโอ้ยสวรรค์ดิบ่ซั่นนะเพราะนั้นตาบอดนี่ ถ้าตายแล้วเกิดมาได้แต่อินทริยานิอเวกัลลตาทุลภาโลกสมิงเมื่อเกิดมา เรื่องบุญเรื่องกุศลบัดนี้มีบุญยิ่งกว่านั้นถือได้ ทำไมจึงต้องมาพัฒนาอะไรและจะพัฒนาจิตนี้โดยทําไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดถ้าตั้งประเด็น ธรรมนาเจตก็คือฝึกจิตนี้อาทิสมาเป็น ให้มันสม่ำเสมอไม่ให้มันรักเกินไม่ให้มันชังเกินไม่ให้มันโง่เกินไม่ให้มันฉลาดเกินไม่ให้มันอ่อนแอเกินให้เกิด equals ให้มันเกิดเสมอเดี๋ยวนี้จิตของพวกเรามันไม่พอดีบางทีมันรักเกินไปรักจนคอขาดตายไม่ได้ดังใจบางทีมันก็เกลียดชังเกินไปไม่มีใครให้เกลียดเกลียดน้ำหน้าตนเองจนไปคอขาดตายเหมือนกัน บางทีก็โง่เกินไปสงสัยเรื่อยไปนั่งไปนี้จะมีอะไร นี่น่ะแต่งใจวายอยู่นี่น่ะบ่เห็นบ่ใจวายแต่ใจวาย ที่โยนความสงสัยไว้ข้างๆออกไปแล้วก็ทําลงไปเถอะเหมือนเราสงสัยความหวานสมมุติว่าดีเลย อธิบายทั้งหวานนี่มันดำๆหรือแดงๆฮะสีมันมันกลมนี่มันเป็นหุ่มได้ โยนความสงสัยออกไปมันจะมีหรือบ่อ้อยปั๊บย่ำๆบาดเดี๋ยวหือบ่ต้องบอกๆครับเพราะว่ามัน individual มัน พลังหน่อมาอีกว่าโอ้ยเว้าอีหยังก็อ้างแต่ว่าฮู้เฉพาะตัวว่าซั่นถ้าผม มันตำลึงมัน I don't know how to say ว่าซั่นบ่นี่เจ้าผู้จักอยู่หวานเจ้าบอกบ่ได้ที่ คุณจะร้องมาว่าอ๋อไอซีดิสอิสวีทเป็นจังสิหวานที่ว่าจะเสร็จเพราะเหตุนั้น <laughs> สมรรถภาพประสิทธิภาพคุณภาพคือๆมีเมตตากรุณาสมรรถภาพคือมั่นคงประสิทธิภาพควรแก่การงานวิสุทโธสมาหิโตกรรมนิโย วิสุทโธบริสุทธิ์มโนโลกในแง่ใดอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อย่างสบายสมาธิโตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อ ถ้าจะเกิดอีกอันหนึ่งที่เรียก 20 ปีเนี่ยอย่าเข้าใจ 20% ใน 3 วัน จำแม่กระทั่งแม่ก้มอยู่ในเปรจำแม่กระทั่งไป นามจะล่มไสจากข้างบนลงข้างล่างน้อมแต่ก่อนที่เราจะล่มจะโยน มันลิคอลซูเรชั่นขึ้นมามันจำได้จกหลอกเจ็บแคลบจำไปนี้ก็ทั้งคำพูดของแม่ หอมอันแดงเหล็กก็จะอ่อนเอามาตีเป็นมีดพากะถาขวานก่อนที่จะเอาทองมาทําสร้อยทําแหวนต้องไปเผาให้มันปลั่งจิตใจของเรายังแข็งกระด้างไม่รู้จักศีลจักธรรมต้องการเอามาแผดเผามันเมื่อเรามาแผดเผามันก็ร้อนมันก็กระวนกระวายถ้าเราทนไปทน พวกเธอจะรักคูบาอาจารย์พวกเธอจะรักโทรักแม่พวกเธอจะรักมี บาลีทีนี้ก็ต้องถามต่อไปว่ามีความมั่นคงมีสติปัญญาที่ทําไมถามเองนะทําไมจึงต้องหน่อย ชีวิตังอัตถาโบจะสุขทุกขะจะเกวราเอกจิตตสัมมายุตตาลหุโสวตติขโนชีวิตทั้งหมดความเป็นอยู่ชีวิตอัตภาพความเป็นไปทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิต มันหลังเลยไม่กลายเป็นสวรรค์ถ้าเรามีความสุขใจความสบายใจเมื่อจิตเกิด เมื่อเดือนที่ผ่านมาหลวงอาเป็นไข้เนื่องจากๆไม่ได้พักผ่อนเป็นไข้หมอจากโรงพยาบาลผู้อํานวยการ แหมนี่หลวงอานี่จะใครจะจะทุกข์ยากกว่าเค้าเค้ากับพวกก่อนเรานั่งรถเก๋งติดสัก 20 ล้านก็พอ เมียเจ้าสิเอาหยังล่ะเจ้าเอาไปอีก 20 ล้านเมียผมยังมีอีกหลายร้อยล้านมาจากเมืองร้อยเอ็ดเพราะอะไรเค้ามา 20ล ทุกข์จะว่าได้ 20 ล้านพันล้านหมื่นล้านกว่าทุกข์เพราะเรื่องทุกข์เรื่องสุข อุปรมจิตเพราะต้องการให้จิตนี้มีคุณภาพเราจะพูดอะไรเราจะทําอะไรมันต้องคิดซะ มันมีศีลสุขไปผูกคอตายกินยาตายอย่างแอฟริกาอย่างเอดีโอเกียโลจากามาเทียบอัตราส่วนใน คนในเมืองในกรุงเทพฯเดี๋ยวนี้สถิติออกมานะฆ่าตัว 1 2 3 คนในกรุงเทพฯในบ้าน ความสุขที่แท้จริงอยู่ไหนเคลี้ยนๆหัวถ้าพอใจๆถ้ามีเงินมีทอง เมื่อกี้พวกเธออาจจะสงสัยเดินจงกรมไปทําไมหนอต้องมาหวาอย่างหนอสาย ตรงนี้ว่าอบรมจิตพัฒนาจิตเพื่ออะไรฟังให้ดี 1 อบรมจิตพัฒนาจิตเพื่อความสุขใน คน to ที่ 2 วิสนะเพื่อนําไปสู่ความสุข มีอันที่ 2 อัน 1 การอบรมจิตให้จิตมีความสุขอัน 1 ผู้ให้มีสติสัมปชัญญะให้มีปัญญาระดับที่ ยังมีกำหนัดแต่คุมกำเนิดไว้กำหนัดที่จะก่อให้เกิดทุกข์เท่ ไม่ต้องอัศจรรย์ใครเลยว่าทําไมเขามีหูทิพย์ สโล 4 อัน 1 พัฒนาจิตให้เกิดความสุข 2 พัฒนาจิต โดยสมบูรณ์เพื่อคุมกําเริบของความทุกข์นาทีแต่พอโกรธมาปั๊บสติ ภูมิกําหนัดต้นขจัดกําเนิดแห่งความทุกข์ไม่เกิดมาเพราะฉะนั้น 2 อันแรกให้เกิดความสุข 2 อันหลังเป็นฝ่าย คือการเจริญสมาธิภาวนาคือการอบรมจิตให้เกิด and Clear Comprehension and to that เพื่อนำมันนั้นและสุทาให้ บางคนอาจจะไม่มีคือเรานี่เกิดมาหลายชาติบางคนอาจจะเคยฝึกแต่ไม่ทนทางที่จะให้เกิดปัญญาแต่ทนทางนั่งให้เกิดความๆนะถ้ามันสงบไปแล้วนี่นั่งวัน พินานในช่วงนี้เราค้นจักหัดกันทีนี้คํา เมื่อถ้าเราต้องการความสุขมันก็มีวิธีที่ให้เกิดความสุขประเด็น C อันนี้ถ้าเราต้องการความ คือเกิดความสุขความสุขนี้เป็นแกนกลางของจริยธรรมถ้าผู้ใดมีความสุขแล้วผู้มีความสุขกระทําด้วยความสุขจะเอา สมาธิฝ่ายสมถะเสียก่อนวิปัสสนานี่เน้นเป็นทางปัญญาเพื่อจะดับทุกข์เพื่อจะให้มีสติ อภรญาวะอลังกะโตเจติสมังเจเลยะสันโตทันโตนิยโตหัมมะจาริงจะใส่เสื้อผ้าอาปอนชุดสีใดๆก็ตามเห็นป่ะภวังทันท่านในการเวทเรียนสัตว์ บางคนอาจจะมีบุญเพราะฝึกมามากแล้วแต่ชาตก่อนเหมือนเอาน้ําใส่แก้วอันนี้มันยัง ไม่เหมือนกันเลยพระพุทธเจ้าว่าณสักกาปฐวิงสมยังแผ่นดินนี้ไม่รับเสมอเหมือนกัน แต่เป็นสาวสวยมากเป็นสาวสวยมากแต่มากด้วยความตั้งใจแต่พอบวชปั๊บ แต่บอกว่าว่าลําปิกอิทัพอุปพังกูตายเสียทีนี้ดีกว่าที่จะเวียน เห็นเวทนาในเวทนารู้เข้าไปในอาการรู้เจ็บรู้เข้าในอาการรู้ว่ารู้ว่าเวเทจิภากจิตออกมาจากการเสวยเวทนาจิตไม่เธอสิ้นชีวิตพร้อมกับ นั่นนางคนนี้คนหนึ่งเรียกว่าจอดนักรบทางธรรมในศาสนาลง นั้นเป็นธรรมชาติของจิตเราอ่านมันเข้ากีฬาไม่ต้องไป คนเราใช้ภาษาบาลีกันทั้งนั้นน่ะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นกีฬาที่เราใช้น่ะเป็นภาษาบาลีชานะกีฬาเล่นอยู่ในการแข่งตกเย็นเพราะอันนี้มันเป็น เดิมเป็นคอสติเกเรียในสถานเซนอเพอร์ซันออนกอดคือเรื่องคนสึกเหล่านี้อะวอยด์เทโอโลจีแอนด์ด็อกมาอันอันนี้เรื่อง เครียดความรู้สึกที่โกรธเกลียดเคียดชังเนื้อเอาเป็นชิ้นๆเกิดยอมตายในขณะ คูขาขมานเกิดประโยชน์แก่ร่างกายเป็นฟิสิคัลเฮลเป็นสุขภาพทางกายสุขภาพทางกายแต่ครูบาอาจารย์ธรรมดาถ้าเรา อย่าให้มันล้างคอกุ้งจุงคืออูฐในทะเลทรายจังซี่น่ะแค่จังซี่มันนอนหลับไว้บ่มีหยังดอกถ้าตั้งกันนี้มันไม่หลับ กายโยกิระมะตินะจักขุนิอนุปาทายะจักเมอาเสเวหิกิตังนี้รู้จักติดกายาลมบตายาลมบลงนั่งดูแล้วก็ทําตัวตรงๆเดี๋ยวนี้ 25% เพื่ออะไรเอามาอีกสังเกตนะอย่าจะซื่อบื้อสมาธิไม่ได้สอนให้เราซื่อ มองอีกจุดไกลออกไปอีกปรับให้มันได้ระยะของสายตาหลังจากนั้นเราลืมตาไว้เรา ลืมตาสำนังเหล่มบานนี่โอ้เห็นพุ่นน่ะงามผ่านเกิดนําคนผู้นั้นไปเอกบานเกิดไปหน่าไปรังจังซี่หลับตาไปเพราะฉะนั้นมัน อาการความสุขหายจะยาวๆยาวยาว him breathing long in an arm he know เธอหายใจเข้าออก หายใจเข้ายาวยาวหายใจออกยาวๆหายใจเข้าปล่อยเป็นหาย พรอบพ้อคุมตนเองว่ามันจะเคลื่อนไหวตรงไหนในช่วงนี้ถ้า อยากให้ kaumัน เทยทำลมให้ละเอียดเข้าปล่อยไปสร้างความๆจักมันไปมันคันเหมือนมีตุลคือให้ตัวน้อยๆ มดๆๆมดตายใครโหย่านตายบ่เก่งกันในช่วงนี้ถ้าฝ่ายหญิงจะโลกเค้าพัฒนา ระเบิดไนโตรเจนไนโตรเจนเป็นระเบิดชนิดหนึ่งทันสมัยมากถ้าสมมุติเรานั่งอยู่ได้เค้าตู้มลงมาเนี่ยไม่จะปวดร้อนในนี้โลกอาศัย อายุเหล่านี้เกิดอาการเครียดแบ่งขั้วกันหนักๆเมื่อ 11 จักกวัตติสูตรหา อายุได้เจ้าเล่าสิบปีก็จะตายด้วยต่อไปในคนพ่อแม่ลูกสาวลูกชายครูบา ที่เดือดร้อนที่สุดสัตันตระกลับจะเกิดขึ้นเขาสิกุมกันขาตายไปคิน จะมีเด็กกลุ่มหนึ่ง 100 200 คนลบออกจากความหุ่นวายมาฝึกใจตนเองอันนี้เป็น อาวุธทั้งหลายเกิดขึ้นในมือคนกันคน ที่มีจิตวิญญาณประกอบไปด้วยทําไม่เบียดเบียนกันอายุ 10 ปีก็ 10 ปี 20 ปีลูกหลานได้ยืน 80,000 ปีแล้วจึงจะ ระเบิดไนโตรเจนนี่ตู้มลงมาระดับ Suddenly Concentration คือปั๊บตึกจะลมหาย ธาตุทั้ง 4 ดินน้ำไฟลมสงบลมหายใจสงบอยู่ภายในความร้อนความเย็นพอ 5 นาที 10 20 นาทีลมหายไปในมีนะผู้ที่ทําสมาธิรุ่นแรกจะไปถึงจุด ระเบิดนี้ทําระเบิดชนิดนี้ตูมลงมาคน ถ้าจะทําลมยาวแล้วทําลมสั้นปล่อยลมให้สะอาดแล้วพยายามคลายอาการยึดในน้อยลงน้อยลงและสงบบางทีก่อนที่จะสงบจะเป็นวู้ๆเหมือน อะไรไม่ได้ยินเลยแต่มีความรู้อันเดียวอยู่ภายในกายก็ 10 20 นาทีเป็น 2-3 ชั่วโมงออกมาแล้วรักพ่อรัก ซาบซึ้งถึงคุณค่าว่าสิ่งที่เราพบใน เพราะฉะนั้นคนโบราณหวังเหลือเกินให้ ต้องการให้ลูกดิ้นขึ้นสวรรค์ถ้าลูกเด 4 เดือนจึงบอกว่า just know now a few month before ฉันเพิ่งจะรู้ 2-3 เดือนฉันอ่าน คนบ่ Eat and drink be merry to bo lo v me ได้กินคือไปสนุกสนานไปมืออาศัย 40 ที่หมอบอกว่าเขาจะ 40 today ไม่ นะขอเจริญสมาธิพอนะเซ็นแล้วเป็นไรรึไม่หลวงอาเล่าเรื่องบุญคุณพ่อแม่ให้เขาฟังฝรั่งกับเราไม่เหมือนกันฝรั่งเราเกิดเฉยๆเมื่อ there was superlimpus of on alien country on the easting one somatthana ham sap kan awatana ham tang chan ma ni san son leung bun bun pho mae fang mai son jai loei khao wa wa luuk phalang ning tang khon tang pai pho mae kae laeo ko pai thi nikhom khon kae kharama ko mot panya thi ja son hai phalang raluk theung bun วันหนึ่งฝรั่งได้พบความสงบมีสมาธิดังกล่าวนี้แล้วแก กลุ่มนี้ก็จะมาฟังธรรมก็เลยบอกขอร้องเพราะจะต้องไปเมืองอุดรเค้าบอกว่าไม่ไม่ได้ฟังธรรมก็ what's playing then อะไรขึ้นเค้าบอกว่ามีไอทรเบนอยู่ what's playing you, like you right to be crying now เกิดอะไรขึ้นดูเหมือนคุณกําลังร้องไห้ความ ผมหุ่นวายมั้ยครับดิสทริคชันออนน็อตผมคิดถึงพ่อถึงแม่ผมเนี่ย 3 วันแล้วผมไม่ได้ร้องไห้ครับผมให้น็อตคลายนึงวันไมค์ทรอลอันเดเวรน้ำตามันออกมาเองบ่ได้ไห้เด้อว่าซั่นลัมอินวันไมค์ทรอลแอท <laughs> เราคิดถึงทําไมอยากให้แม่มาศึกษาธรรมะมา เวรริเบตัมออนเวกะธรรมกรรมชั่วที่สุดตลอดกาลสงสารพ่อสงสารแม่ไม่ได้ร้องไห้น้ำตามันไหลออกมาพวกเราทั้งหลายนี่ถ้ามาปฏิบัติธรรมเพียงแค่พบความสุขชนิดดีใครจะใจตื่นใจดำที่จะไม่คิดถึงพ่อถึงแม่ 2 เวลา 1 ทุกข์คั่นทุกข์อีหลีกับอาการเท้าคุณแม่โลดจนหมายเพิ่นน่ะแต่ถ้ามีความสุข ถ้าสุขในมุ้งในหมอนสุขเคลื่อน คนที่สอนเรานั้นทั่นหลับหรือท่านตื่นท่านอยู่ที่ไหนเราไม่เคยเข้าใจ วันนี้เราเข้าใจแล้วotan ท navigator ไม่อย relatable ใบนั้น... พิย rendering อันนี้เรียกว่าสมาธิภาวนาเป็นไปความสุขสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อลิเดทมีพอจะมีพื้นฐานมีอุปนิสัยมาแต่ชาติก่อนบางคนนั้นนี่น้อยๆนี่เราสอน 2 สัปดาห์ นั่งกลางคืนนี้มันคือกลางเว็นนี่นะที่วากับสัญญาสร้างความสําคัญมั่นหมายในครั้งแรกจะเกิดแสงน้อยๆ ทับลงไปเหมือนรีโมทคอนโทรลภาษาพระดึงให้เห็นภาพไกลๆว่าทําให้มันหมา ยังไม่มีอีกสักพักนึงก็จะเห็นสัญญาณมาตาพระคูลีกัตตาญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัฏติเรียกว่า meditation development คือเมจิคันอาวออสเปอร์โนมอนแอนด์เอ็กตาเซนซอรีออฟเพอร์เซปชั่นเป็นได้ง่ายๆไม่ต้องถึงศาสนาพุทธศาสนาอะไร จะเคลื่อนจะไว้จะไปจะมาจะคู้จะที่พวกเธอทํายุบหนอพองหนอขวาอย่าง ตอนนี้เพ่งดู perception conception วิตกความคิดสําเร็จรูปรวดยอดอะไร เกิดไปดับไปเกิดไปดับไปจิตคอนไทรออกมาในช่วงนี้พวกเธอก็รู้เองว่า หัตถนาจิตถ้ามีโอกาสวิธีใดดังกล่าวมา 10 มกราคม 17 ขอลา 3,000 4,000 ปีปีหน้าคิดว่าประมาณ 5-6,000 พอปีที่แล้ว 3,000 กว่าปี 1,500 มันขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วก็มีพวก ลูกหลานผู้ใดขึ้นมาผ้าไปซอมมีแห้งก่อนนะไม่ไปเล่นจักหน่อยก่อนนะลองๆสวยเดเวบ่ได้เฮ็ดเวียนเฮ็ดงานหยังสิไปย่าน ด้วยความเร็วสูงเวลาที่จะมงคลเดี๋ยวนี้อนุภาพพระรัตนตรัยเตสสาเดเถง อันอภิพันคุณงามความดีที่ลูกหลานทั้งหลาย ความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายอาจารย์เป็นลูกที่ดีของพ่อ เป็นญาติญาติของพระศาสนาที่ดิ่งนามมี มีอะไรเหรอคงจะมีขออภัยสาธุ สาธุพุทธังสัมมาปะณิยัมมะอริยะปะเวทีเตธรรมจริญีธรรมวินัยพระอเกเจ้าจงสาธุแปลว่าดีแล้วเป็นภาษาบาลีถ้าเกิด อ่ารู้สึกวงเวงในใจคิดรีบอกตัวเอง คือสิ่งที่เรียกว่าปิติปิติเป็นศัพท์ของพระแปลว่าอิ่มคิดในช่วงนี้มันมันไม่หวยขิวไม่หวย uplifting joy ใจใจในจรรย์ตัวเบาในช่วงนี้รีบมาคือการรู้ว่าตัวลอยตัวเบา เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะมีคําว่าพร้อมเฉพาะซึ่งตีติดในช่วงนี้ไม่ ปิติต่อมาก็จะเกิดปัสสัทธิปัสสัทธิคือ Tranquility กายลำงับ มันจะสุขมากอะไรหรอกสมาธิเค้าซ่อนตัวในความสุขนั้น มันนํานับลงก็จะมีปัสสัทธิไม่รู้จักเจ็บปวดรวดราวอะไรดังนั้นก็จะมีความสุขมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วก็เกิดจะฌาภูตญาณทัศนะรู้เห็นสิ่งนั้นตามที่มันเป็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอันนี้ขอผ่าน อ่าหลวงอาสมองไม่ดีแต่ทำไมจึงอ่าเก่งภาษาอังกฤษมากเลยอยากให้หลวงอาแต่ก่อนมันไม่ดีจิตใจของเราพัฒนาได้เมื่อกายพัฒนาได้จิตก็พัฒนา เมื่อเริ่มมีสมาธิ 20-30% นี่ความจําก็จะ 30%, 30 เรื่องเก่าเรื่องหลังก็จํามาทีนี้ถ้าเรื่องวิปัสสนาขอเลยกันๆมันรู้เห็นสิ่งทั้งหลาย อติอิมรรคสัญญาคตัสสะ